หลวงพ่อลองลองฝึกสำหรับคนที่อาจจะยังรู้ตัวรู้ตัวเองไม่ไม่เป็น น, น่ะนะทีนี้ลองลองดูอย่างนี้ก่อนเพราะหลวงพ่อก็ต้องทําไปด้วยนะเพื่อจะได้เห็นเหมือนกันสมมุติคนที่ไม่ทํางานนะตอนนี้แต่ว่านั่งนั่งอยู่หน้าโทรศัพท์เนี่ยลองลองนั่งปิดตาดูเนาะแล้วก็ให้สังเกตตามที่หลวงพ่อชี้บอกตอนนี้ปิดตา ซึ่งมันจะรู้ได้ง่ายมากเลยว่าตอนนี้เราปิดตาแล้วนะให้รู้อยู่ว่าเราปิดตาแล้วแล้วก็ขณะปิดตาเนี่ยมันมันไม่ได้รู้เราแค่แค่ว่าเราปิดตานะแต่มันรู้เราทั้งตัวนะมันจะเห็นเราแบบทั้งตัวเลยการเห็นแบบนี้มันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เรียกว่ามันเห็นด้วยใจนะรู้ตัวเองเห็นด้วยใจว่าเราเนี่ยนั่งปิดตาอยู่ไอการที่ที่รู้ว่าเรานั่งปิดตาเนี่ย ถ้าถ้าสมมติว่าไอ้ตัวเราเนี่ยนะลำพังแค่เพียงปิดตาเนี่ยถ้าไม่มีผู้รู้เนี่ยก็จะรู้ไม่ได้หรอกว่าเรานั่งปิดตาเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยที่รู้ได้ว่าเรานั่งปิดตานี่แสดงว่ามีผู้รู้เรียบร้อยแล้วแต่ผู้รู้เนี่ยหลวงพ่อจะบอกว่าผู้รู้เนี่ยที่รู้เราเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถรู้เราได้ว่าเราเนี่ยนั่งปิดตาอยู่ แต่ตอนนี้อาจจะยังแยกไม่ได้แต่พอเข้าใจได้ว่ามีผู้รู้แน่นอนแต่ยังแยกไม่ได้เพราะยังความรู้สึกว่าก็ยังเป็นเรารู้อยู่ทีนี้หลวงพ่อก็จะเพิ่มตัวละครขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเพิ่มตัวละครอันนี้กําลังนั่งปิดตาอยู่เนา ะ, ะนั่งปิดตาอยู่จะเอาส่วนที่อยู่นอกตัวมาประกอบเช่นก่อนปิดตาเนี่ยอาจจะ เคยเห็นอะไรมาก่อนเนี้ยเช่อนอาจจะเห็นเก e นะ้าอี้นะให้นึกถึงเก e, e ้าอี้เก้าอี้ที่ที่เห็นด้วยตาก่อนปิดตาเนี่ยพอนึกถึงเก้าอี้ปับ๊บเห็นไหมมันก็จะมีภาพเก้าอี้เกิดขึ้นทั้งทั้งที่ไม่ได้มองด้วยตาภาพเก้าอี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งถูกรู้แต่มันก็แวบบ๊แบบแวบบแวบนะมันมันไม่เหมือนกับมองด้วยตา แต่ไอ้พอกลับมามองตัวเราเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าตัวเราเนี่ยกําลังนั่งปิดตาอยู่แล้วก็เห็นตัวเราทั้งตัวการที่มีการเห็นเก้าอี้นะแล้วก็เห็นตัวเราตรงเนี้ยมันก็เริ่มชัดขึ้นว่าโอ้มันมีตัวรู้ที่รู้เก้าอี้ด้วยแล้วก็รู้ตัวเราด้วยเพราะนั้นไอ้ตัวรู้เนี่ยมันต้องไม่ใช่ตัวเราแน่นอนเลยแต่มันเป็นตัวรู้ที่ไม่ปรากฏตัว ตรงนี้มันจะเริ่มมีความเเชื่อขึ้นแล้วว่าไอ้ตัวรู้มีอยู่จริงถ้าไม่มีอยู่จริงแล้วมันจะไปรู้เก้าอี้ได้ยังไงมันจะมารู้ตัวเราได้ยังไงพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เห็นซ้ําๆแบบนี้หเห็นซ้ําๆเห็นตัวเราบ้างหเห็นเก้าอี้บ้างก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจเองว่าไอ้ตัวที่รู้ตัวเรากับไอ้ตัวที่รู้เก้าอี้นะมันก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏตัว ตรงเนี้ยที่หลวงพ่อพูดแบบเนี้ยไม่ต้องใช้ความคิดเยอะเพราะมันเห็นอยู่มันเห็นตัวเราแล้วก็เห็นเก้าอี้ได้มันไม่ต้องใช้ความคิดแต่มันเห็นได้แต่ความคิดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งถ้ามันจะคิดก็จะรู้ได้ว่าอ๋อความคิดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสิ่งทูกรู้แต่ความคิดมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละพอเป็นอย่างนี้เสร็จ แ, แล้วเนี่ยโยมก็ค่อยๆจะจับทางได้แล้วว่าอ๋อ ไอ้ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนาะมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันมีอยู่แต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหามันเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะเป็นหนทางที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เข้าใจเรื่องไอ้ไอ้ไอธรรมชาติที่รู้เราได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่ายากอะไรอ่ะแค่นี้ก่อนไม่รู้ว่าใครจะพอที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นไหนลองลองลอ ง, ล อ, งออกมาพูดหน่อยก็ดีมียกตัวอย่างไหมคะ ถ้ามีเคสไหนที่แบบว่าเออ่สามารถให้ท่านอื่นเข้าใจตรงจุดนี้ได้ด้วยก็จะดีมากเลยรัศการหลวงพ่อครับพอดีเมื่อตะคู่ผมกําลังจะไปฝากเงินอนะครับก็นั่งในรถแล้วหลวงพ่อพูดขึ้นมาว่าอ่ะใครไม่ได้ทำอะไรนั่งหลับตาผมก็ลองนั่งหลับเออเดี๋ยวจะค่อยลงไปฝากก็ได้ก็เลยนั่งหลับอยู่ในรถแล้วหลวงพ่อบอกว่าเออถ้าเราหลับตาเนี่ยเราเราเห็นเราทั้งตัวก็คือผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายไงแต่ผมแบบ เอเ อ, เอุอทธรนได้ใจอาจจะมีคำคำไม่ค่อยเหมาะสมนะแบบเออว่ะคิดในใจแบบเออเนาะจริงๆแล้วการที่เราหลับตาเนี่ยอา้าวแล้วใครเห็นเราวะอันนี้ผมมันจะมีวะอวยบ้างขออภัยนะครับคือปมายถึงอุทธรกันกับตัวเองนะครับผมก็แต่ผมก็อธิบายไม่ยังไม่เป็นภาพชัดเจนมากว่าว่ามันเข้าใจแบบไหนแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะบางทีที่หลวงพ่อพูดคาว่า การใช้ใจมองมันมันเห็นจากใจมันไม่ได้เห็นจากตาเนี่ยให้ที่ผมเข้าใจเลยว่าเออมันเป็นอย่างนี้เองเนาะการจริงกับการแค่เราหลับตาแล้วยิ่งหลวงพ่อบอกว่าเออลองลองเราก่อนหลับตาเราเห็นอะไรให้นึกถึงเก้าอี้พอดีผมเห็นพวงมาลัยรถนะครับผมก็เลยเออเราก็ยังเห็นภาพพวงมาลัยรถเราอยู่ทั้งที่เราหลับตานะครับเออแล้วมันก็จะแปลว่ามันมีตัวรู้ที่ที่มันกาหนดรู้ได้ว่าเออเราเห็นนะแต่ตัวรู้ก็ไม่ใช่เราอีกนะครับ เออเพะเราหลับตาไปแล้วอ่ะมันตัวรู้มันจะเป็นเราได้ยังไงเออแต่ผมผมผมจะไปทํให้เขาเข้าใจต่อครับหลวงพอผมเข้าใจว่าจริงๆรง่ายๆให้การหลับตานี่เองครับขอบขอบทุกคนครับ <c oughs> จริงๆริงเรื่องที่คุณหนุ่ยหนุ่ยพูดเมื่อกี้ผม <c oughs> ผมก็คิดมันใใจพอดีนะพอดีไอ้เรื่องฟุตบอลเนี่ยเป็นที่ผมไปฟัง <c oughs> ในคํขบหานี่แหละแล้วก็มีน้องคนนึงเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าคเออต้องขออนุญาตเอาคําพูดน้องมามาอับมาเอ่ยอ้าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องไม่ดีอะไรคือน้องก็ทํางานศิลปะแล้วก็ เขาในการวาดรูปเนี่ยเขาต้องมีการแบบเ อ, อถอยเพื่อไปดูภาพรวมทั้งหมดขององค์ประกอบภาพที่เขาวาดมันก็เลยลามไปถึงเรื่องการพูดถึงสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าเออจริงๆอะแหละเวลาเวลาเราเห็นการเล่นฟุตบอลเนี่ย เ, เราเป็นผู้เล่นนะเราเห็นเราเห็นเป็นผู้เล่นนะเราก็จะไม่เข้าใจว่าจริงๆโค้ดโค้ดที่เขายืนมองอยู่ข้างสนามเนี่ยเขาไม่ได้เก่งในฟุตบอลหลายคนไม่เคยเป็นนักฟุตบอลมา ก, ก่อนแต่ว่าสังวานที่จะแบบพาทีมไป ไปคว้าจะชนะได้มากมายก็หนึ่งแบบมันอาจจะเป็นเรื่องการที่แบบเราเขายืนมองอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เขามองถึงภาพรวมทั้งหมดอะไรเนี่ยก็คือตรงกับที่คุณหนุ่ยเล่าพอดีกำลังจะพูดพอดีพอดีบพื่อกินตรงกันพอดีครับค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะตรงจุดที่คุณสปิดบอกเนี่ยพอเราเห็นตรงเนี้ยคือตอนแรกหนู่บอกว่ามีผู้เล่นนะคะฝ่ายดํากับฝ่ายขาวแล้กันเล่นกันหนี่ยก็เปรียบเปรยว่าเปรียบเสมือนกับความทุกข์หรือว่าอะไรก็ตามที่เราได้ประสบมา ถ้าเราเนี่ยลงไปเป็นผู้เล่นใชเองเนี่ยมันก็คือจะเหนื่อยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงเลยแต่ว่าให้เราเนี่ยแทนที่จะเป็นผู้เล่นก็เลิกเล่นซะแล้วกลับขึ้นมาบนอัตจารย์ก็มาเป็นผู้ดูผู้ดูทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะเล่นเมื่อกลับมาเป็นผู้ดูบนอัตจารย์แล้วเนี่ยก็พยายามพัฒนาขึ้นไปอีกค่ะพัฒนาขึ้นไปถึงผู้ที่ดูเห็นผู้ที่ยืนบนอัตจาร์ และมองผู้ที่เล่นทั้งสองฝั่งอ่ตรงจุดเนี้ยค่ะก็คือสิ่งที่มันเป็นการยกตัวอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้เราหลับตาเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าขนาดอย่างที่เหมือนคุณสติบอกนะคะเราหลับตาเราจะทราบได้ไงว่าเป็นตัวเราก็ดูเหมือนกันแต่ว่าจริงๆมั น, มนทีการการที่เรารู้เนี้ยบางทีอาจจะยังมีการผสมของความคิด แล้วก็ผัดสะความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าไปด้วยบางทีมันก็เลยหลงบางทีก็ผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราก็มาคุยกันถึงสภาวะว่าเออเราเคยรู้สึกแบบเนี้ยแต่ไม่เข้าใจนะคะว่าไอ้ตรงที่คุ่ห น, นูบอกว่าเราไปยืนตรงอาจจะจานแล้วเนี่ยเป็นผู้ดูทั้งสองฝั่งอันนี้เราทราบแต่ว่าเราจะไปเห็นตรงผู้ที่รู้เราที่มองเห็นทั้งสองฝั่งได้เนี่ยมันยังไง มันเป็นธรรมชาติที่รู้เรายัางไงประมาณเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีประสบการณ์หรือว่าต้องการแชร์หรือว่าแสดงความคิดเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนเชิญ น, นะคะเดี๋ยวรอหลวงพ่ อ, อค่ะหลวงพ่อมาแล้วค่ะอ่าของโยมสตินะโอเคนะเริ่มจับทางได้แล้วเริ่มแบบเห็นลายๆแล้วแหละนะทีนี้ก็ต้องต้องไปฝึกอย่างนี้แหละให้เห็นตัวเราแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนานะเออค่ ะ, <c oughs> ะได้ได้เป็นหนทางมันมันเป็นเรื่องที่แบบ ถ้าเหมือนกับถ้าเริ่มเห็นได้รู้จักสักครั้งหนึ่งนะต่อไปมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นละใช่ค่ะมันยากตรงที่แบบครั้งแรกสุดๆเนี่ยคือ จ, จะเห็นยังไงจะรู้นะยังไงตรงนี้แหละมันยากสุดๆอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยมันก็เห็นภาพได้นี่เนาะสมมติว่าเราเราเข้าใจแบบแบบแบบภาพที่ที่อมนุยโนยกตัวอย่างเนี่ยนะมันก็พอเข้าใจได้แล้วว่าอ๋อมันมีคนเล่นอยู่สองฝ่ายแล้วก็ตัวเราเป็นผู้ยืนดูแล้วก็ต่อมามันมีผู้รู้ตัวเราที่เป็นผู้ยืนดูอีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะแค่นี้ย ก็จะรู้จักเลยว่าอ๋อมันมีสิ่งหนึ่งที่มารู้ตัวเราหลวลงพ่อแต่ยก<ะ>ตัวอย่างอา้าวคนคน ค, นคนที่เคยได้ยินแล้วก็ได้ยินซ้ํากันแล้วกันส่วนคนมาใหม่ก็อาจจะไม่เคยได้ยินเช่ <c oughs> นชีวิตประจำวันนะหลวงพ่อบอกว่าเออบางทีเรานั่งดูโทรทัศน์อยู่เนา ะ, ะในโทรทัศน์ในโทรทัศน์มันก็เหมือนสนามวุ้บอลนั่นแหละเออแต่นี้มันเป็นโทรทัศน์แล้วก็มีละครหรือมีอัตลกหรือมีสงครามรบกันก็ช่างมันเถอะ แต่มีตัวเราเนี่ยที่เป็นผู้ผู้ดูนะผู้นั่งบนโซฟานี่แหละนั่งดูโทรทัศน์แล้วก็ระหว่างดูไปเนี่ยถ้าถ้าลืมตัวเนาะมันก็ไม่รู้ตัวเราหรอกว่าตัวเราอยู่หน้าโทรทัศน์มันมัวแต่เห็นโทรทัศน์แต่พอรู้ตัวเราปั๊บเนี่ยมันจะรู้เลยเราตัวเราเนี่ยกําลังนั่งหัวล็อก ก, ก, กกิ๊กกิ๊๊กหมันมากเลยขยับขยับเนาะไอ้ตรงที่รู้เราว่าขยับขยับขยับอันนั้นแหละนั่นแหละมันจะมีตัวรู้เราแหละแค่นี้เอง ก็ถ้ายังไม่มีใครพ้นเนาะหลวงพ่อจะยกตัวอย่างเรื่องของหลวงพ่อคําเขียนนะท่านเล่าเรื่องว่าสมัยหนึ่งเนี่ยที่ท่านปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็สอนเรื่องความรู้สึกตัวนี่แหละคือเรื่องรู้ตัวรู้ตัวรู้สึกตัวทีนี้หลวงพ่อมีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อคําเขียนก็นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในกุฏิแล้วก็ปิดประตูหมดเลยนะ แล้วก็หลวงพ่อเทียนเดินผ่านมาแล้วก็ถามหลวงพ่อคำเขียนว่าทําอะไรอยู่ค่ะพ่อคำเขียนบอกว่ า, ากําลังฝึกสตินะฝึกรู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าไม่เห็นแล้วก็หลวงพ่อเทียนถามว่าแล้วทํายังไงให้เห็นข้างนอกหลวงพ่อคำเขียนเพราะ ง, งั้นก็เปิดประตูอ่าแล้วก็ หลวงพ่อคำเขียนก็เลยเปิดประตูดูพอเปิดประตูเสร็จแล้วก็เห็นข้างนอกได้แล้วหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าเอาง่ายๆเห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเห็นครับหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าเอ อ, เอออย่างนี้แหละเห็นนอกเห็นในนะจะได้ปฏิบัติถูกคือหลวงพ่อเทียนก็สอนแค่เนี้ยหลวงพ่อคำเขียนเข้าใจเลยอะ่ะเออว่าเออเวลาให้ให้รู้เวลาการรู้เนี่ยจะต้องรู้ข้างนอกแล้วก็รู้ข้างใน คือความหมายก็คือรู้รู้สิ่งที่อยู่นอกตัวกับรู้สิ่งที่ที่เป็นตัวเองด้วยรู้กายรู้ใจเพราะนั้นการเปิดประตูก็คือว่าอย่านี่หลวงพ่อก็ขยายอีกแลการเปิดประตูก็คือว่าอย่ามัวแต่รู้ตัวเองคือเพ่งนะต้องออกมารับรู้ข้างนอกด้วยเมื่อรู้ข้างนอกรู้ข้างในตรงนี้มันก็จะมีตัวรู้ขึ้นมาเมื่อมีตัวรู้ก็จะทำให้เกิดการเห็นตัวเองว่าตัวเองมีอยู่ แล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเช่นหลวงพ่อเทียนก็มีอยู่ไอ้ตรงที่รู้ว่าหลวงพ่อการที่รู้ว่าตัวเองมีอยู่กับรู้ว่าหลวงพ่อเทียนมีอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็เกิดภาวะตัวรู้ขึ้นมาแล้วแต่ภาวะอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่มันรู้เราได้รู้คนอื่นได้อ่าก็เหมือนกับรูปภาพเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าสมมุติว่าโยมเอาตัวโยมเนี่ยมัวแต่เพ่งแต่รูปแล้วก็คิดคิดคิดคิดอะไรว่าอะไรว่ากึกกักกกกักกกกักนะ อย่างนี้ยก็เรียกว่าเห็นแต่ข้างนอกไม่ได้เห็นข้างในไม่ได้เห็นตัวเองถ้าจะเห็นตัวเองทํำยังไงก็ต้องรู้สึกตัวใช่ไหมอ้าวตัวเองเป็นผู้ผู้ดูผู้ดูรูปของโยมหนุยหน่ยหนยไอ้ตรงที่มามารู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้ดูเนะ่ะตอนนั้นแหละมันมีผู้ดูอีกตัวหนึ่งที่มาดูเรานะหรือเมื่อกี้สักครู่นี้โยมเป็นไงดูอย่างเดียวใช่ไหมดูนอกอย่างเดียว แต่ก็เลยลืมตัวถ้าใครรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะรู้เลยว่าอ๋อมันมีตัวรู้มารู้ตัวเราว่าเราเป็นผู้ดูรูปนี่าจะเลยอีกแลาบอดไม่ได้อ่ะจริงๆต้อกว่าถ้ามนุษย์ทุกคนนะคะต่างเคยประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจนะทำให้เป็นทุกข์แต่ก็ มีความทุกข์จำนวนไม่น้อยที่เกิดจากความคิดของมนุษย์นี่เองนะคะเหล่าคือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์ก็นําปัญหา น, ะนำมาโขบคิดนะคะวนอย่างนี้นะคะ่ะไม่ยอมปล่อยนะคะจนติดอยู่ในกับดักความคิดตนเองอย่างเช่นเวลาเราถูกเจ้านายตําหนิหรือด่าอะไรอย่างนี้นะคะความจริงการด่าหรือตําหนิก็เป็นแค่เสียงที่มากระทบหูแต่พอเราไม่มีสติคือความรู้เนี่ยนะคะตัวคอยกํากับไว้ ก็เผลอค่ะไปปรุงแต่งเสียงนั้นต่อความโกรธก็เลยเกิดขึ้นอีกแล้วก็คิดวนอยู่เนี่ย น, นะคะยิ่งเห็นหน้าคนที่ด่าเราเนี่ยก็จะยิ่งเอาเรื่องที่เขาด่ามาโกรธต่ออีกบางวันบางทีโกรธจากวันเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็น10ปีอะไรอย่างนี้นะคะโกรธไปเรื่อยๆะค่ะอย่างเนี้ซ้ําไปซ้ํามาถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาด่าจะจบลงไปแบบโอ้โหตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้นะคะแต่ว่า การดึงอดีตมาคิดวนเวียนอย่างนี้ยค่ะก็ทําให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดอุปมาเหมือนคนเอาเข็มนะคะมาทิ้มเรานะให้เราเจ็บแล้วก็หนีไปแต่พอเราอยู่ตามลําพังแล้วก็มาเข็มมาจิ้มจิ้ ม, ม, ม, ม, ม้มตัวเราอีกอ่ะไม่รู้จะจิ้มไปทําไหมนะคะก็แต่จะมีวิธีการะค่ะที่เราจะนําความทุกข์ชนิดนี้นะคะออกจากใจเราได้นะคะก็คือการรู้ทันความคิดนะคะหมายถึงการใช้สติเนี่ยกำกับทุกครั้งเมื่อคิด นะแล้วก็พยายามยับยั้งความคิดที่จะสร้างวิบากกรรมหรือว่าสร้างทุกข์แก่ตนเองอย่างเช่นไม่ได้ยินคำตาหนิคาด่าแล้วรู้สึกโกรธก็ให้เอาความรู้สึกตัวใส่เข้าไปนะคะมองให้เห็นสภาวะความโกรธที่กาลังเกิดขึ้นแค่รู้ทานอาการของจิตอย่างนี้ค่ะนะคะจิตจะปรุงแต่งต่อไปไม่ได้นะสุดท้ายอาจจะปรับปรุงแต่งก่อนก็ได้ไม่มีปัญหา แต่ว่าเห็นไปแล้วปุ๊บพอเราปุ๊บไปเห็นปุ๊บมันจะค่อยๆ ค, คลายลงเรื่อยๆวันนี้เราอาจจะไม่ได้พรุ่งนี้เราอาจจะมองทันอีกวันนึงเราอาจจะแบบเผลอบ้างไม่มีปัญหานะคะค่อยๆมองแบบเนี้ยค่ะสุดท้ายนะ่าจะเห็นแตบบ่แค่ตัวรู้ที่เกิดขึ้นพอรู้ตั้งรู้อยู่ว่าเกิดขึ้นมันก็ตั้งอย่อย่างนั้นแล้วมันก็ดับไปอุปทานความริดมากที่ทําให้เกิดทุกเนี่ยจะถูกระงับไปโดยอันตโนมัติเลยนะคะ คนทั่วไปนะคะถึงแม้ไม่ใช่พระอริยเจ้าก็สามารถฝึกจิตให้มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาได้นะคะจิตที่รู้ทันอย่างเนี้ยค่ะจะไม่ฟุ้งซ่านไม่หวั่นไหวไม่เผลอไปคิดทําเรื่องทําร้ายตัวเองนะคะความทุกข์ก็จะลดลงความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนมเมื่อกี้ที่หนูยกตัวอย่างว่าเหมือนมีคนเอาเข็มนะคะมาทิ้มเราทิ้มหนึ่งครั้งเองนะคะเพียงครั้งเดียวแต่ตัวเราเองนี่แหะค่ะเป็นผู้ที่ทําร้ายตัวเราเอง พยายามเอาเข็มมาทิม่มเราตลอดว่างปุ๊บเอาเข็มมาทิ่มแล้วไม่มีอะไรทําเอาเข็มมาทิ่มอีกแล้วไม่รู้จะทิ่มไปทําไมใช่ไหมคะถ้าเรารู้ความจริงตรงเนี้ค่ะเราจงตื่นขึ้นมาค่ะแล้วเรารู้ว่าต่อไปเราจะไม่เอาเข็มทิ่มตัวเราเองต่อไปแล้วค่ะนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่ายกตัวอย่างแล้วจะเห็นภาพหรือปล่านะคะค่ะคุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นุ้ยครับค่ะ กอนเห็นที่หนุยพูดเมื่อกี้ที่เรื่องเรื่องที่ว่าเรารู้ตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเราประสบการณ์ของผมดีว่านะครับที่ผมเจอมาถือว่าเพราะผมเป็นโรคซึมเศร้าครับว่าถึงวฐานฐานกายไม่รู้จะตรงกันหรือเปล่านะครับค่ะเหมือนว่าถ้าเราฝากฝากตัวรู้ไว้ที่ฐานกายก่อนเนี่ยลองมีสติรู้กายก่อนมันก็จะค่อยๆแบบขยายไปอย่างนี้หรือเปล่าครับ แ, แ, แน่แต่ประมาณนี้ของผมอกว่าถ้ า, าเราเดินเราก็รู้สึกจำกับใช่ไหมคะใช่ใช่ครับถ้าถ้าเวลามันหลงหรือว่าเรายังไม่รู้อะไรครับค่ะหัวถูกต้องเลยค่ะคุณอาค่ะก็คือจิตสิ่งแรกค่ะจริงๆอ่ต้องบอกว่าสติเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะหลายท่านเนี่ยที่ที่ออไม่เข้าใจตนเองรวมถึงมีความรู้สึก ที่อาจจะแบบโทษตัวเองหรืออะไรก็ตามนะคะรวมถึงบางคนที่เป็นซึมเศร้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าบางคนผิดปกติแต่มันอาจจะเป็นจีนบางอย่างในสมองหรือว่าความผิดปกติในสมองแต่เชื่อไหมคะว่าคนที่เป็นซึมเศร้าหลายท่านนะคะมีน้องคนนึงอยู่ห้องห้องซึมเศร้าเล่าบอกอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเขาก็ได้มาคุยกันตอนนั้นนะคะได้มีโอกาสได้คุยกันเขาก็จากเดิมที่เคยทานยานะคะคุณหมอสั่งยาเยอะมากนะคะ เขาก็เอาชนะการที่ที่ไม่ต้องทานยาโดยการที่เขามีสตินี่แหลนะค่ะจากทานยาสี่ตัวแล้วก็ลดลงมาเหลือสองแล้วก็จนตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วต้อง ก, กลับมาเป็นคนปกติทำงานแล้วก็โอโ้พัฒนาตนเองได้ดีมากๆนะคะแค่เรามีสตินี่ค่ะนะคะอย่างที่หลวงพ่อบอกป้าเนี่ยกลับมารู้กายตัวเองก่อนอย่างที่คุณอาบอกนะคะแล้วก็รู้ใจตนเองแล้วก็มองเห็นเรารู้อยู่แล้วเมือกค่ะ มันมีความคิดปกติเรารู้อยู่แล้ ว, วความคิดมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมานะะไม่ใช่ลองลองลองเอ้ยเราคิดอาจจะจริงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีธรมนุษย์เราจะมีความลังเลนะคะสิ่งที่เร า, าคิดมันต้องใช่แน่ๆเลยเหมือนกับเราเราเห็นอย่างเช่นคนแต่งตัวสกปรกมาน่องเท้าไม่ใส่เสื้อผ้าขาดเราอาจจะมองเขาว่าเขาเป็นขอทานเราอาจจะมองขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเ ร, ราอาจจะมองขาว่าเป็นคนไร้บ้าน<า> แต่จริงๆแล้วมันใช่อย่างนั้นที่เราคิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดของเรานี่คือการปรุงแต่งของเรานะคะความจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้หรือมันถึงแม้มันจะใช่แล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราพี่เนี่เราชอบไปเล่นกับความคิดนี่แหละค่ะชอบไปกระโดดไปเล่นแล้วก็ไปเป็นผู้เล่นเสมอนะคะก็เอาตัวอย่างากที่เมื่อกี้บอกผู้เล่นเนี่ยค่ะให้จับมามองออกมายืนบนอัฐจันทร์มองมันซะ เมื่อเรามองมาแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะคะจนกระทั่งถึงความเ อ, อเห็นความจริงตรงหน้าเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไม่ไปทําอะไรกับมันอย่างเนี้ยค่ะคุณอามโนธนาด้วยนะคะ ใ, ในที่วิญญาณที่พี่หนู่ยพูดเนี่ยคือคผมอะ่ะตั้งแต่เห็นคือตอนนั้นมันเห็นกายก่อนะครับผมพูดภาวะตัวเองนะครับว่าเราเราจะเห็นว่าตั้งแต่มีสตินะครใช้เขามาจเจริญสตินะครับค่ะ ไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะเป็นตัวแยกพี่ว่าอยู่ๆอะ่ะเวลาอาการซึมเศร้าเนี่ยขั้าแรกไม่เห็นนะครับไม่เห็นเราจะเ ป, เป็นเป็นมันเหมือนที่พี่ว่าเลยลงไปเล่นเต็มๆครับลงไปเจ็บเลยถ้าเราเราเห็นปุ๊บเราเห็นว่ามันเศร้ามาก่อนอย่างที่นุ้ยพูดเลยพอมันเศร้าปุ๊บมันจะพาไปคิดครับพอมันพาไปคิดทุกเรื่องที่มันคิดมันจะเป็นเรื่องที่ไม่โอเคครับสมมุติว่าเราคิดอะไรไม่โอเคสมมติว่าเราไปเดินแห้งเราก็ไม่โอเคเราไปทํางานเราก็ ตอนนี้มันจะทําให้ทุกอย่างในชีวิตเราไม่โอเคเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ารากฐานเนี่ยมันมาจากความเศร้าคือความเศร้าแล้วก็ก็เป็นหมดหนึ่งของทำอารมณ์อะครับใชหครับหมดหูเหงาซึมเศร้าเป็นความจริงเป็นเป็นความปกติของมนุษย์นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เห็นแล้วเราไปย้ําเอาแต่อารมณ์เศร้าก็เหมือนเหมือนที่พระอาจารย์ชอบพูด ว, ว่าเวลาเราปฏิบัติแล้วเอาความสงบใช่ไหมครับเราก็จะย้ําอารมณ์เดิมมาความสงบเอาแต่ความสงบมันก็เป็นเคสเดียวกันเลยครับแต่เพียงแต่ว่า เราดันไปจำแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เราจำมันก็ไอความคิดนี่แหละครับพี่นุ้ย <คะ S 2> ม, มันเศร้าก่อนที่ผมเห็นนะครับเป็นเป็นเศ้าเป็นกระบวนการว่าเศร้าปุ๊บไปคิดคิดแล้วก็ไม่อยากทําอะไรพอะไม่อยากทํำอะไรก็ไม่อยากไปไหนไม่อยากไปไหนก็จะไม่มีแรงทําอะไรเลยครับแต่ถ้าพอหลังจากนี้เราเราแยกได้เอาสตินะครับเป็นตัวดูอ๋อมันเศร้านี่ยเราก็ไปกินยาหรือว่าไม่เป็นบางครั้งไม่ไม่กินยามันก็ดับเองนะครับ เราเห็นไปเป็นขนาดขนาดขนาดมันจะดับไม่ดับก็เรื่องของมันแล้วหลังๆแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าเราอยากมีชีวิตปกติแล้วเราก็กินยาก็จบนี่ะครับแต้าเราดูมันไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ้าเดี๋ยวมันก็หายไปช่เราก็ไปเล่นกับมันก็ได้อะทาไมไม่มาล่ะกลับมาได้ไหมความเศร้ามันก็ไม่มาเลยแต่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเลยเราเดี๋ยวมันก็มาหาเราใหม่ไงใช่ใช่ครับก็เป็นใช่ครับมันหมดเพราะพุทองค์เก่งมากครับ พระองค์บอกว่ามันเป็นหมดเดียวกับความง่วงเลยเอาเหมือนกันบางทีมันง่วงเนาะเราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้ละง่วงกับ่วงไม่ไหวก็หลับถ้าไหวก็ไปต่อนไงจริงจริงมันก็ถ้าเราดูแล้วก็เหมือนถ้าเห็นแล้วเอาสติไปผมชอบฟังหลวงพ่อความเขียนนะห่วงเขียนว่าเหมือนเราเอาสติไปดูมันก็ให้มันรู้พอมันรู้มันก็ฉลาดเนี้ยครับเราไม่ใช้มันเองเพราะเราไม่รู้เนี่ยครับแล้ก็เนี่ยครับมันก็จะเห็น เห็นเป็นกระบวนการเนี่ยเหมือนที่นุ้ยบอกว่าแต่บางครั้งเราคิดไปคิดคิดนําไปก่อนทุกๆุกปกติเราจะใช้ความคิดนํำนะทุกอย่างนะตั้งแต่เราเรียนหนังสือละใช้จินตนาการเป็นตัวตัวกําหนดว่านั่งต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ที่บางครั้งมันก็ไม่เป็นเหมือนที่เราคิดก็มีมันบางครั้งอาจจะเป็นเหมือนที่เราคิดก็ได้แต่มันก็น้อยครั้งแต่ว่าเราก็เอามันเป็นใหญ่เอามันเป็นหลักเอามันเป็นเอามันนํำหน้านะครับไม่ได้เอาสตินําหน้า เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาถ้าไม่เอาสติหน้าก็ถ้าเอาความคิดหน้าอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยก็ได้บางทีมันเหตุมันก็ดับไปเองนะเห็นไหมผมว่าเอาเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเอ้ามันก็หายไปเองเนี่ยเราทำนักมีคำว่าสาธุข่าคุณอาค่ะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแชร์ค่ะก็จริงๆก็ค่ะ ทุกอย่างนะคะก็จะมีอยู่แค่สองอย่างเนี่ค่ะเออกิดเกิดดับนะคะก็มีแค่นี้เพียงแต่ว่าเนี่ยถ้าเรารู้ทันมันนะคะว่าเออมันมีความคิดมันมีอะไรเดีวก็คือการใช้สติเนี่ยค่ะนะค ะ, นะคะมากํากับมันมาเห็นมันก็จะช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ทุกอย่างแสดงว่าคุณเข้าใจแล้วคุณรู้แล้วคุณไม่ทุกข์คุณไม่เจ็บคุณไม่รู้สึกหร อ, อ ไ, รไม่ใช่นะคะรู้สึกเหมือนเดิมค่ะนะคะ มีความทุกข์แต่ไม่ได้รู้สึกว่าทุกข์ค่ะทุกข์ของมันก็คือทุกข์ลอยๆไปอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้เข้ามากระทบแบบจังๆนะคะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยร่างกายพิการนะคะรู้สึกว่าโอ้เรามองเองเนี่ยเรารู้สึกโอ้รู้สึกท้อแท้แทนเขาแต่เชื่อไหมคะถ้าคนที่เขารู้ความจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เลยน ะ, ะเป็นแค่ทุกข์ลอยๆไปอย่างนั้ น, นะคะ่ะ เต้นอยู่กลางอากาศเนี้ยนะคะเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรนะคะค่ะหลวงพ่อค่ะสมมติหลวงพ่อจะยกตัวอย่างความเศร้านะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นอุปมาอุปไมยค่ะสมมติว่าความเศร้าเหมือนเหมือนไส้เดือนนีเนาะพอพอพอไส้เดือนอันนี้อันนี้อุปมาอุปไมยความเศร้าเหมือนไส้เดือนทีนี้ เวลาเรานึกภาพนะเวลาเราเห็นไส้เดือนเนี่ยก็จะมีไส้เดือนใช่ไหมมันจะคลานต่อหน้าเราเนี่ยท<ฆ>ีนี้ถ้าเราเนี่ยมองแต่ไส้เดือนเนี่ยนะเราก็จะมองไม่ค้าสายตาเลยไส้เดือนคลานไปที่ไหนเราก็มองมองมองมองมองมอ ง, มองนะถ้ามองแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเราเนี่ยลืมตัวเพราะ<ฆ>ตัวเราจะเป็นจริงๆก็คือตัวที่ยืนมองเนาะพอเราลืมตัวปั๊บเราก็ตามไส้เดือนไปเรื่อยอันเนี้ยเหมือนกับ ตามความเศร้านะความเศร้าก็ดูดพาไปไหนไปไหนไม่รู้แต่ถ้ารู้สึกตัวปั๊บเราก็จะกลับมารู้ว่าเอ้าเรานี่เป็นผู้ยืนยืนดูไส่เดือนเนี่ยเราไม่ใช่ไส่เดือนพอกลับมามารู้ตัวเราแค่เนี้ยไส่เดือนมันไปไหนก็ก็เรื่องของมันแล้วมันขาดจากเราแล้วเนาะเพราะว่าเราไม่สนใจเพราะฉะนั้นความเศร้าก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะถูกดูดไหลไปเรื่อยแต่ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอ้ามีตัวเราอยู่นี่ ตัวเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูไส้เดือ น, น, น, อนก็กลับมารู้ตัวเราเสียแค่เนี้ยความเศร้าก็ถูกตัดขาดไปเนี่ย yeah. อันนี้เหมือนที่โยมว่าแหละว่าเออความง่วงก็เหมือนกันที่ทำไมความง่วงมันดูดให้เราหลับก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ตัวมัวแต่แช่อยู่กับความง่วงความง่วงก็พาหลับเลยแต่ถ้าเรากลับมารู้ตัวว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้ว่ามันง่วงกลับมาหาตัวเราเลยเนี่ยก็จะทําให้ความง่วงก็หายไปเพราะว่าเรากลับมารู้ตัว กลับมารู้ตัวเราก็คําว่าตัวเราทุกคนรู้จักเนาะตัวเราคือผู้ดูผู้รู้เนี่ยก็รู้สิ่งไหนก็กลับมาที่ตัวเราอ่าแค่นี้มันก็ทําให้ตัดกาดจากอารมณ์พวกนั้นไปใช้ได้ทุกอารมณ์เลยนะพวกนี้แม้กระทั่งความโกรธเนี่ยเมื่มันโกรธแล้วเนี่ยถ้าเรามัวแต่ดูความโกรธเดี๋ยวความโกรธก็ลากไปเพราะฉะนั้นกลับมารู้ตัวเราว่า อ, อ๋อมีตัวเราอยู่ตัวที่เป็นผู้รู้ความโกรธแค่เนี้ยความโกรธก็ก็จะค่อยดับไปหายไป เพราะว่ามันกลับมารู้ตัวเราแล้วนี่ค่ะสาธุค่ะอ๋อทีเนี่กับพระอาจารย์ครับที่ผมคิดได้อย่างหนึ่งครั บ, <า> ค, รบคือว่าผมเข้าใจแล้วเมื่อก่อนนะ่ะคือผมฝึกฝึกปฏิบัติของผมมันใช้ความสงบไหมครับพระอาจารย์พูดเมื่อวันวา่าอย่าเรื่องพูดโทงไงครับหรือว่าการนั่งสมาธิที่ผมฝึกมามันคือเราย้าอยู่ในอารมณ์เดียวครับที่ แล้วผมก็ฟังพระอาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนปฏิบัติแล้วเราไม่ทุกข์กกว่าเป็นคนปกติทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับปรากฏว่าถ้าเกิดเราย้ําอารมณ์เดียวมันเหมือนเราลากลากอยู่อารมณ์เดียวเมื่อเมื่อก่อนนะครับของผมนะครับก่อนผมจะมาฝึกเจริญสตินะครับพอเขมาเจริญสติมันก็เป็นขณะขณะมันก็ละไปครับแต่เมื่อก่อนนี่ถ้าถ้าเกิดมันเกิดอารมณ์เศร้าเหมือนที่ผมอธิบายเ ม, มันจะย้ําอยู่มันจะย้ําอยู่แต่อารมณ์เดียว ถึงมันจะหายไปแล้วมันก็จะลากลากลากให้กลับมาคิดเหมือนเดิมอผมผมผมค่อยผมอ๋อเนี่ยครับเพิ่งมาเข้าใจกับการเจริญสติเมื่อกี้เห็นพี่นุย้ยพี่นุ้ยบอกว่าน้องคนหนึ่งที่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วหายเพราะว่านั้นผมไปนั่งดูเป็นงานวิจัยนะครับถอกับของของอ่าจากเมือมือใหม่หลวงพ่อเทียนนะครับที่อยู่ในยู u ูบนะครับก็เป็นงานวิจัยว่า ถ้าเกิดเราจเจริญสติไปเรื่อยๆครับมันก็ทำให้เคมสารเคมีในสมองเรากลับมาหลังได้เหมือนเดิมเหมือนกันครับใช่ค่ะใช่ครับแล้วผมผมดูนะว่างงแล้วก็คือแบบว่าทางคนผู้ใจนะครับเป็นเจนฝรั่งเขาก็บอกว่า อย่างสัตว์ที่อยู่ในในในในป่าใช่ไหยครับถ้ามันอยู่เฉยๆมันจะโดนกินนะครับถ้าเรานั่งนิ่งๆเลยโดนกินใช่ใช่ใช เ, เปลี<ฮ>่ยนตัวตลอดเวลาแล้วก็จะรอดอ๋อโหกว่าออบางทีก็เป็นเรื่องง่ายนะพอเราเห็นนะครับแต่มันไม่เห็นเราก็ก็พูดยากกันครับก็เลยเอามาแชร์ข้างบน <c oughs> สาธุค่ะ <c oughs> ได้ประโยชน์มากเลยค่ะเห็นภาพเลยค่ะสัตว์ในเอ่อป่าอเมซอนนะคะสังเกตทามไม่มีอะไรนะคะที่ ที่อยู่นิ่งเลยค่ะนะคะมันก็พยายามที่จะดิ้นรนนะคะเพื่อจ ะ, จะออต่อสู้เพื่อเอาชีวิตตัวเองนะคะรอดนะคะแต่ว่ามนุษย์เรานี่ค่ ะ, จะเจริญกว่านะคะประเสริฐกว่าแล้วก็โชคดีกว่ามากๆนะคะที่ได้มาค้นพบความจริงตรงนี้ค่ะนะคะหลวงพ่อมีทิ้งท้ายอะไรมิคะเพราะว่าใกล้จะถึงเวลานะคะ อ, อก็นะก็ี่บอกมาเป็นเป็นระยะเป็นระยะเนะะาะอืมรู้สึกตัว อย่าไหลไปตามกับความคิดอย่าไหลไปตามกับอารมณ์นะให้รู้กลับมากลับมารู้ที่ตัวรู้ที่ตัวก็รู้ที่กายก็ได้รู้ที่ฐานที่ตั้งนะครับรู้กายก็คือรู้ตัวเราทั้งตัวก็ได้เนี่ยความรู้สึกว่ากายก็คือตัวเราเนาะพอกลับมารู้กายเนี่ยมันก็จะรู้ทั้งตัวไปเลยมันก็กลับมาแล้วไม่ไปไปกับความ ความซึมเศร้าไม่ไปกับอารมณ์เพราะมันกลับมารู้ตรงนี้รู้บ่อยๆแต่ไม่ถึงกับว่าต้องเพ่งอะไรนะรู้เพียงแต่รู้ว่ากายมีอยู่รู้ว่ากายมีอยู่แล้วเมื่อรู้แล้วก็กายนี้ก็ไม่ได้ยึดถือมาเป็นตัวเป็นตนของเราเพียงแต่ว่ามันมีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าทั้งรู้ทั้งวางเพราะว่าทางที่สุดแห่งทุกข์คือวางหมดวางกายวางจิตวางอารมณ์วางผู้รู้วางสิ่งถูกรู้วางหมดเลยไม่เหลืออะไร ต่อให้พบถึงความไม่ทุกข์แล้วนะพ้นทุกข์ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวเราไปอไปไปยึดถือความไม่ทุกข์นั้นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติตรงสู่ความพ้นทุกข์สถานเดียวนะค่ะหลวงพ่อก็ฝากไว้แค่นี้กสาธุค่ะหลวงพ่อค่ะ